ประสบการณ์การรู้ธรรมสามวาระถ้าเราจะหยุดก็หยุดเอาเฉยเฉยนี่ล่ละต่อมาจึงหยุดพักหยุดแต่การนั่งเท่านั้นใจเหมือนเก่ายังไม่หยุดเลยดึงอามอนลูกหนึ่งมาวางไว้ตั้งใจจะพักผรเมื่อเอ็นกายลงจิตยังสงบอยู่อย่างเดิมพอศีรษะจะถึงหมอนก็มีอาการน้อมในใจไม่รู้มันน้อมไปไหน แต่มันน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปคล้ายกับมีสายไฟอันหนึ่งไปถูกสวิตไฟเข้าไปดันกับสวิตอันนั้นกายก็ระเบิดเสียงดังมากความรู้ที่มีอยู่นั้นละเอียดที่สุดพอมันผ่านตรงจุดนั้นก็หลุดเข้าไปข้างในโน้นไปอยู่ข้างในจึงไม่มีอะไรแม้อะไรอะไรทั้งปวงก็ส่งเข้าไปไม่ได้ส่งเข้าไปไม่ถึงไม่มีอะไรเข้าไปถึง หยุดอยู่ข้างในสักพักหนึ่งก็ถอยออกมาคำว่าเราถอยออกมานี้ไม่ใช่ว่าเราจะให้มันถอยออกมาหรอกเราเป็นเพียงผู้ดูเฉยๆเราเป็นผู้รู้เท่านั้นอาการเหล่านี้เป็นออกมาออกมาก็มาถึงปกติจิตธรรมดาเมื่อเป็นปกติดังเดิมแล้วคำถามก็มีขึ้นมาว่ามีมันอะไรคำตอบเกิดขึ้นว่า สิ่งเหล่านี้ของเป็นเองไม่ต้องสงสัยมันพูดเท่านี้จิตก็ยอมเมื่อหยุดอยู่พักหนึ่งก็น้อมเข้าไปอีกเราไม่ได้น้อมมันน้อมเองพอน้อมเข้าไปเข้าไปก็ไปถูกสวิตไฟดังเก่าครั้งที่สองนี้ร่างกายแตกละเอียดหมดหลุดเข้าไปข้างในอีกเงียบยิ่งเก่งกว่าเก่าไม่มีอะไรส่งเข้าไปถึง เข้าไปอยู่ตามปรารถนาของมันพอสมควรแล้วก็ถอยออกมาตามสภาวะของมันในเวลานั้นมันเป็นอัตโนมัติไม่ได้แต่งว่าจงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้จงออกอย่างนี้จงเข้าอย่างนั้นไม่มีเราเป็นเพียงผู้ทำความรู้ดูอยู่เฉยเฉยมันก็ถอยออกมาถึงปกติมีได้สงสัยแล้วก็นั่งพิจารณาน้อมเข้าไปอีก ครั้งที่สมนี้โลกแตกละเอียดหมดทั้งพื้นปฐพีแผ่นดินแผ่นหญา้าต้นไม้ภูเขาโลกเป็นอากาศสาธาตหมดไม่มีคนหมดไปเลยตอนสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรเมื่อเข้าไปอยู่ตามปรารถนาของมันอยู่อย่างไรดูยากพูดยากของสิ่งนี้ไม่มีอะไรจะมาเปรียบปานได้เลยนานที่สุดที่อยู่ในนั้น พอถึงกำหนดเวลาก็ถอนออกมาคำว่าถอนเราก็ไม่ได้ถอนหรอกมันถอนก็มันเองเราเป็นผู้ดูเท่านั้นก็เลยออกมาเป็นปกติสามขณะนี้ใครจะเรียกว่าอะไรใครรู้เราจะเรียกอะไรเล่า